ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนกลมาพบกับท่านผู้ฟังนําข้อความที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยเล่าต่อพระพุทธเจ้าสอนไว้ข้าพเจ้านํามาบอกต่อกานบอกต่อมันก็กําหนดบทเพียญชนะได้ต่างกันเพราะว่าบุคคลที่ถ้าจะสามารถกําหนดบทเพียนชนะ ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะๆทุกคำพูดเลยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะแต่ระวังแต่ถ้ให้ท่านพระสารีบุตรคำสอนของท่านโดยเพียรชนะมีส่วนที่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าก็มีบทเพียญชนะแตกต่างกันไปบ้างก็มีแต่โดยอัธยาศแล้วก็จะต้องเหมือนกันซึ่งแน่นอนความสามารถของผู้ฟังคาสอนแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูป ก็มีความแตกต่างกันไปในการที่จะกําหนดบทเพยียรชนะให้คล้ายคลึงหรือว่าให้ใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีอาาัตตามีความหมายไปในแนวทางเดียวกันซึ่งเรื่องบทเพยียรชนะนี้ก็มีความสําคัญมากฉะนั้นบทเพยียรชนะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมายให้เราฟังฟังอยู่ในทุกๆสัปดาห์โดยในวันพฤหัสนั้นก็จะนําเรื่องที่เป็นพุทธพจน์ เป็นประสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังวันสุก็เป็นหน้าที่ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นที่มีความแจ่มแจ้งเป็นหน้าที่ของภิกษุในธรรมะในนี้ท่านผู้ฟังที่เวลาเทศสอนบอกสอนในการสอนนี้นะหปายถึงการบอกต่อนะก็จะต้องนํามาจากคําสอนของพุท ธ, ธะคือสอนจากที่เขาบอกเอาไว้แล้วเนี่ยเขาไม่เรียกว่าสอนนะเขาเรียกว่าบอกต่ออย่างเช่นว่าคุณครูที่สอนอยู่ในระดับ มาวิทยาลัยก็ตามในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาสอนสอนกันเนี่ยคือจะใช้คําว่าสอนจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเป็นวิชาที่เราคิดค้นขึ้นเองแต่เป็นการกระทําเทคนิคหรือว่าวิชาที่เราคิดค้นขึ้นเองแต่นี่คือคุณเป็นต้นตอคุณเป็นต้นตํำรับแต่คุณเป็นเจ้าของแต่เป็นลักษณะว่าเป็นเจ้าสํานักในคําสอนในลักษณะนี้นี้ น, น แ ต, แต่ถ้าบอกว่าเราเอาของคนอื่นเข้ามาสอนเขาคิดค้นขึ้นไว้แล้วเราเอามาบอกต่อเอามาสอนต่อการบอกต่อการสอนต่อตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฟังคําสอนคุณฟังคําสอนแล้วคุณก็เอามาบอกต่อคําที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะเรียกว่าสาวกก็คือฟังแล้วมาบอกต่อพูดต่อสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นี่มันเรื่องอะไรล่ะแต่เป็นเรื่องแคลคูลัสอาแสดงว่าคุณฟังคําสอนของนายแคลคูลัสนี้ เขคิดค้นเรื่องนี้เอาไว้หลายร้อยปีมาแล้วก็ามาบอกต่อสอนต่อนั่นคือเป็นสาวกในคําสอนนันน้นเป็นผู้ฟังคําสอนของคําสอนนั้นแต่ถ้าเป็นผู้คิดค้นขึ้นเองนนในคําสอนเรื่องนี้นี้เช่นว่าเรื่องของหลุมดาอย่างนี้ในทางดาราศาสตร์นี่คิดค้นขึ้นรู้สึกจะไม่ถึงร้อยปีแต่คนที่คิดค้นขึ้นพูดไปครั้งแรกเอาคุณเป็นเจ้าสํานักในเรื่องนี้แต่คุณเป็นเจ้าความคิดเป็นเจ้าลทัทธิ ในทฤษฎีเรื่องนั้นนั้นผู้ที่ฟังต่อไปบอกต่อไปอธิบายสอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นสาวกของผู้ฟังคําสอนซึ่งคําสอนนี้เนื่นถ้าเราดูพวกเจ้าลทัทธิเจ้าคําสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดในสมัยปัจจุบันก็มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเอาอย่างเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพอย่างนี้ของเอเบลไอน์สไตล์เขาก็เป็นเจ้าลทัทธิตรงนี้แต่เป็นคําสอนตรงนี้คนเอาไปบอกต่อสอนต่อ ก็เป็นสาวกซึ่งถ้าแปลว่าคำสอ น, น, นคือผู้ที่เป็นคนคิดคนขึ้นเจ้าของคำสอนก็มีเยอะแยะซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นคำสอนที่นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าคำสอนของเจ้าลทัทธิอื่นๆภายนอกใช้คำว่าพาหิรากาซึ่งคนที่ฟังต่อจากเจ้าคำสอนนั้นไปแต่ถ้าไม่มีคนบอกต่อสอนต่อคาสอนนั้นก็ขาดลงแต่ไม่มีผู้รับบรดกตกทอดไป คำสอนนั ong, no speak, but, so ้นก็ขาดลงก็จะไม่มีคนพูดถึงก็จะหายไปสูญไปเนี่ถ้าเจ้าของความคิดนั้นเจ้าของลัทธินั้นเจ้าของทฤษฎีนั้นก็ตายไปก็คือจบไปไม่มีคนพูดต่อแต่ถ้ามีคนไปอ่านหนังสือแล้วพูดต่อกันมาทําความเข้าใจคุณเป็นสาวกคุณเป็นผู้ฟังคําสอนของเจ้าลัทธินั้นเจ้าทฤษฎีนั้นเจ้าของความคิดนั้นเอามาบอกต่อสอนต่อไม่ใช่เป็นเจ้าของคําสอนนะแต่เป็นสาวกซึ่งเป็นสาวกของผู้ที่ ฟังคำสอนที่ไม่ใช่คําสอนของพุทธะและซึ่งก็มีหลากเรื่องหลายประเด็นทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างได้อย่างหนึ่งทฤษฎีทางด้านการทําธุรกิจอีกแบบหนึ่งทฤษฎีทางด้านดาราศาสตร์ทฤษฎีทางด้านสมุทรวิทยาแต่การศึกษาสัตว์น้าพวกนี้โอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งคําสอนต่างๆเหล่านี้เจะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะนําไปสู่การดับไม่เหลือของความทุกข์ได้แต่สิ่งอื่นเรารู้ แล้วก็เป็นความรู้ได้แต่มันจะดับทุกข์ได้ไม่สนิทไม่บริสุทธิ์ไม่บ ร, ริบูรณ์ดับทุกข์ได้อยู่อาจนิดนดหน่อยหน่อยแต่ยังไม่สนิทเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้มาสนใจในคำสอนของพระองค์ละ่ะคำสอนที่เป็นของผู้สอนในภายนอกที่ไม่ใช่เรื่องมรรคแถ้าไปสนใจแล้วก็จะเป็นเรื่องเสียเวลาบางทีเจ้าลทัทธิเจ้าคำสอนเจ้าความคิดเจ้าทฤษฎีนั้นเขาตายไปแล้วมีผู้ที่นํามันบอกต่อสอนต่อ นั่นเป็นสาวกของเขาใช่ไหมเป็นผู้ฟังคําสอนของคนนั้นเขาเนี่ยเราฟังคําของสาวกที่เขาเป็นคําสอนที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเป็นเรื่องเสียเวลาแล้วค่อยมาสนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้คําสอนนี้เจริญขึ้นดีขึ้นพระพุทธเจ้าจึงยืนยันท่านผู้ฟังว่าเรากลับมาที่ตัวแม่บทแต่ตัวแม่บทที่เป็นคําสอนของพุทธแท้ๆเรื่องอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเสียเวลา เพราะว่าเวลาของเรานี่มันน้อยแต่เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องราวเยอะแยะอยู่แล้วแค่ทํามาหากินแค่จะต้องมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แั่นมันก็ทําให้เวลาเราหมดไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลาที่เหลืออยู่มีอยู่นั้นยังมีประสิทธิภาพเติมฟังแต่วันนี้ได้ให้ฟังเรื่องของพระสุ ท, ทิชิบาคีตาคิริสุทธ์เป็นพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่222 กีารคิริสูรนั้นเป็นชื่อของตำบลแห่งหนึ่งในตำบลแห่งนี้ก็มีภิกษุ2รูปในเป็นผู้อยู่อาศัยเป็นประจำผู้อยู่อาศัยอยู่ประจำเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าอาวาสนั่นแหะแต่ผู้อยู่อาศัยอาวาสนี่แปลว่าที่อยู่ที่อาศัยในอยู่ที่นั่นยังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่นั่นเป็นประจำนั่นก็คือเป็นเจ้าที่อยู่อาศัยก็เป็นเจ้าอาวาสนั่นเองแต่ประกอบว่าภิกษุที่อยู่ที่นี้เป็นภิกษุเขาเรียกว่ากลุ่มของพวกฉับพักขี่ ชาวพักีเนี่ยเป็นกลุ่มของภิกษุที่มีอยู่ด้วยกัน6รูปเดชชื่อว่าปันทุกะโลหิตกะแต่สองรูปนี้ก็จะอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ท่านเมตยะท่านปุมมัชกะแต่สองรูปนี้ก็จะอยู่ที่เมืองราชจุกรแล้วก็ท่านพระอาสชิท่านบุตรนภัสสุกะสองรูปนี้ก็อยู่ที่กีตาขิรีนิคมนีเดชท่านพระอาสชินี้เป็นคนละรูปเป็นคนละองค์กันกับท่าน พระอาสัชชีที่อยู่ในกลุ่มของภิกษุ5รูปนะคือเขาก็จะมีกลุ่มเป็นคลราณมิตรของกันและกันในกลุ่มที่มี5รูปกเรือว่าปัญจวัคคีก็มีภิกษุที่ชื่ออาสัชชีเหมือนกันในกลุ่มที่มี6รูปคือพวกฉัพพคีแล้วก็มีพระที่ชื่ออาสัชชีเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละคนกันเป็นคนละรูปกันแ ต, แต่ชื่อเดียวกันน่นแหละสมชายในประเทศไทยนี่ก็มีเยอะแยะโกดัญญาอินเดียก็มีหลายรูปกดัญญาองค์ไหนอ่ะ ก็จะโกฏิยองที่มีความรู้เนี่ยเป็นผู้รู้ดังก็เลยอนญากโกัญญะอัสชีนี่ก็มีหลายรูปกัสปะนี่ก็มีหลายรูปกัสปะองค์ที่อายุมากหน่อยก็เรียกมหากัสปะกัสปะองค์ที่ยังเป็นเด็กกเรียกกุมารกาสปะก็มีหลายรูปเขาก็จะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างทีนี้ในภิกษุ6รูปนี้ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังนิดหนึ่งแต่ว่าภิกษุกลุ่ม6เนี่ยเรียว่ัพพะคีเนี่ยมักจะเป็นภิกษุที่ ได้สร้างเรื่องราววีรกรรมนไว้ต่างๆมากมายคําว่าเวีรกรรมนี่หมายถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายความไม่เลื่อมใสความเสื่อมเกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งหลายๆคราวพระพุทธเจ้านี่ก็จะกําหนดบทบัญญัติวินัยขึ้นเพราะเหตุกลุ่มของภิกษุ6รูปเนี่ยอยู่เรื่อยๆเช่นการที่ภิกษุตีกันทำร้ายกันและกัพวกนี้เริ่มก่อนพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติว่าภิกษุห้ามตีกันนะ ห้ามทำร้ายกันถตีกันทำร้ายกันก็เป็นอาบัตหรือเป็นความผิดหรือเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องแต่ถ้าดูในเรื่องของศรีรษะวินยัยเนี่ยพระภิกษุสองนี้จะทราบเลยแต่ว่าโอ้ภิกษุชาวพัปปคีนี่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยข้อนี้ข้อนี้ข้อ น, อนี้หลายอย่างมากเรื่องสวมรองเท้านี่ก็เหมือนกันแต่ทําไมพระสมัยนี้สวมได้แต่รองเท้าแตะแต่รองเท้าอื่นๆสวมไม่ได้เป็นบทบัญญัติวินัยก็พวกนี้ละ่ะเขาไปทําให้ดีเอาไว้ ตั้งแต่สวมเขียงเท้าตั้งแต่สวมรองเท้าที่มันงอนงามขึ้นโอ้หลายอย่างอันนี้พระสวดนี้พูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารพระพรทชานั้นตอนนั้นตรัสอยู่ที่บริเวณแคว้นกาสีก็บอกว่าพูดถึงการที่รับประทานาาในที่นัแห่งเดียวให้เว้นการรับประทานอาหาหในเวลาราตรีในพระสวดตรงนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆบ้างเฮ้ได้เคยพูดถึงการรับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียว การรับประทานอาหารเวลาเดียวมาแล้วนี่นาในพระสูตรอื่นๆที่ชื่อว่าพัทธลิสูตรตรงนั้นเนี่ยเป็นการห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิการในวิการกลางวันแต่มีวิการกลางวันแล้วก็มีวิการราตรีในในที่นี้พระสูตรที่ชื่อว่ากีตาคิริสูตรห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิการราตรีในพระสูตรที่ชื่อว่าพัทธลิสูตรเนี่ยห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิการกลางวันตอนนั้นที่ท่านพระพัทธลิบอกว่าไม่ได้เนี่ย ก็คือยังมีการรับประทานอาหาามครั้งนั่คือเช้าครั้งหนึ่งบ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกดินไปอีกครั้งหนึ่งต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าให้งดนัคืองดมื้อบ่ายนัคือตอนกลางวันเนี่ยกินครั้งเดียวแวิการกลางวันไม่ให้มีในพระสูตรนี้ตอนกลางคืนก็ไม่ให้บริโภคใะเว้นการรับประทานในเวลาราตรีแต่คุณประโยชน์ก็คือจะทำให้เป็นผู้ที่มีอาภาษน้อยมีโรคน้อยมีความกระปรี้กระเปรา่า มีพลังมีกําลังมีความอยู่เป็นภาสุฉันคาบเดียวไม่ต้องฉันตอนบ่ายอีกไม่ต้องฉันตอนข้ามอีกเนี่ยมันดีจริงๆตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทราบคิดว่าแหมเราจะกินได้ยังไงมือเดียวแต่พอมาบวชเป็นพระปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้จริงๆเนี่ยเพราะว่าการรับประทานอาหารมือเดียวเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยก่อนมันมีภาราน่อยมันไม่ต้องมาจัดแจงเสนาสนะล้างจานเตรียมนั่นนี่ โอ้มันเป็นเรื่องการกินนี่เป็นเรื่องยากนะในการที่จะจัดเตรียมด้วยในการที่จะล้างภาชนะด้วยในการที่ต้องมาประชุมกันด้วยแต่ครั้งเดียวจบไปเบดเสร็จเรียบร้อยสบายถ้ามาทํากัน3ามครั้งโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากในตะบูฟังที่กินข้าวสามือ้อก็คิดดูเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องมาคิดว่าเฮ้กลางวันนี่จะกินอะไรเฮ้ตอนเย็นจะกินอะไรแต่แต่ถ้ากินแค่2มือ้อแต่สองมื้อป่านะแล้วเราไม่ต้องมาคิดอีกว่าเฮ้ยเย็นนี้ฉันจะกินอะไรคือไม่กินคือจบ น่ยไม่ต้องไปคิดอีกไม่ต้องเสียเงินอีกไม่ต้องล้างอีกน่ยไม่ต้องมาแปลงฟันอีกอ้าวถ้าเหลือมือเดียวแต่เมื่อกลางวันจะกินอะไรเมื่อบ่ายจะกินอะไรไม่ต้องคิดเลยคือไม่กินคือจบเลยเน่ยไม่ต้องไปบินดาบัดไม่ต้องตราเตรียมไม่ต้องล้างนี่ยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทําความสะอาดทั้งเสนาสนะทั้งช่องปากของเราเออมันจบไปเลยเนี่ยคือไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปกินอีกเพราะว่ามันไม่จําเป็นแต่จําเป็นอยู่มือเดียวจําเป็นไม่จําเป็นเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะ คือความจําเป็นเนี่ยมันก็เป็นไปตามาอำนาจกิเลสแหละแตกิเลสบอกจําเป็นก็จําเป็นถ้ากิเลสบอกขี้เกียจไม่จําเป็นก็ขี้เกียจไม่จำเป็นได้แต่ถ้าเป็นไปตามธรรมอย่างตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดไว้ในตอนกลางๆพระสูตรอย่างเหมือนกันว่าสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรนั่นก็คือหมายความว่าบางทีสุขเวทนาเรามีเนี่ยกินอาหารอร่อยปากเนี่ยมันสุขแน่ล่ะแต่มันทําให้เกิดอกุศลทําให้อกุ ศ, กศลธรรมเนี่ยเจริญได้ทําให้กุศลธรรมเนี่ยเสื่อมไปได้ แต่ถ้าเราจะต้องไปคิดถึงเรื่องปากท้องอยู่เรื่อยๆนะมันจิตมันไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายไปในทางกามแต่ถ้าคิดคิดครั้งเดียวมันน้อยกว่าแต่ความเสื่อมของอกุศลธรรมมันเกิดได้ความเจริญของกุศลธรรมเกิดได้แต่ถ้าต้องกินสองรอบสมรอบแต่ความที่เราจะต้องไปคิดในเรื่องที่จะกินอะไระจะทำอะไรกินยังไงจะไปหากินที่ไหนใครจะล้างให้มันคิดไปในทางเนี้ยมันก็ไปในทางกาม อกุศลธรรมก็เสื่อมลงอกุศลธรรมก็เจริญขึ้นได้เป็นสุขเวทนาไหมเป็นเน่ยเพราะฉะนั้นสุขเวทนาบางอย่างเนี่ยทำให้อกุศลเกิดทําให้อกุศลเจริญขึ้นทําให้กุศลเสื่อมลงเพราะฉะนั้นสุขเวทนาประเภทนี้ไม่ควรเสพแต่มีอะไรบ้างนอกจากกินข้าวอร่อยอร่อยกินข้าวแบบไม่พิจรารณากินมากรอบกินหวังอร่อยลิ้นกินเนื้อสัตว์กินอะไรที่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลส ก็ยังมีการฟังเพลงการดูการละเล่นนะ่เป็นสุขไหมเพลิดเพลินไหมเป็นสุข อ, อ, อยู่เพลิดเพลินอยู่แต่ว่าอากุศลธรรมมันจะเจริญได้กุศลธรรมมันจะเสี่อมไปได้ในการพูดคุยคลุกคลีกันการพูดเยี่ยวพาราศีแบบพวกนี้สนุกปากไหมสนุกนะกระนองปากด้วยแต่เกิดอกุศลขึ้นก็ไม่ควรทําแำพระพุทธเจ้ายังพูดถึงเรื่องของทุกขเวทนาด้วยถนะ้าทุกขเวทนาบางอย่างนะมีแล้วเสพแล้วเนี่ย อกุศลเนี่ยเกิดการเจริญขึ้นคือถ้าเราแบ่งเวทนา3อย่างเนี่ยเป็น2ส่วนคือส่วนที่ทําให้เกิดอกุศลกับส่วนที่ทําให้เกิดกุศนลนะสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยมีทั้ง2แบบแต่ความทุกข์แบบที่ให้เกิดอกุศลทําให้กุศลเสื่อมลงไปก็มีนะเช่นการอดทนอยู่กับคนพาลคนไม่ดีคนพาลเนี่ยคุณจะไปทนอยู่ทําไมให้มันลําบากหรืเป็นความทุกข์หรือว่าการทรมานตัวเองให้ลําบากอย่างที่ พระพุทธาของเราตอนเป็นโพ้นที่สัตว์เนี่ยทรมานตัวเองให้ลําบากเนะี่ยมีทุกขเวทนาแน่นอนกุศลธรรมก็ไม่ได้เจริญขึ้นด้วยกุศลธรรมเสื่อมลงไปอกุศลธรรมกลับเจริญขึ้นแตนะ่ไม่ได้มีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ก็ทุกขเวทนาแบบแบบไม่ดีละหรือว่าบางคนปฏิบัติทุ่งดงควัตรแล้วนะก็ปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากที่พระพุทธเจ้าชักชวนชวนชวนให้ทำนะแต่ถ้าปฏิบัติด้วยความหวังว่าคุณหนึ่งจะยกย่องเราแต่ชั้นจะเหนียวกว่าเขา ให้การปฏิบัติแบบนี้มันไม่ได้ทําให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นเลยนะแต่อกุศลธรรมกลับเจริญขึ้นอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาแบบที่ทําให้เกิดอกุศลทําให้อกุศลธรรมเจริญในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังในเวทนา3อย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมัสุขเวนทาาเวนานี่ก็มีแบบที่ทําให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมไปเนี่ยนี่คือแบบนีนะสุขเวทนาแบบไหนที่ดี เช่นความสุขที่เกิดจากสมาธิะสุขที่เกิดจากความสงบระงับสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมสุขที่เกิดจากความระงับความปล่อยความวางความสู่ตรงนี้เออนี่มันดีนะกุศลธรรมเสื่อมไปหายไปกุศลธรรมเจริญขึ้นดีขึ้นนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นความสุขที่ควรเสพความทุกข์แบบไหนที่เมื่อเสพแล้วกุศลธรรมเจริญนเช่นทุดงควัตอย่างที่ว่าแล้วก็ปริวัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดคลายกิเลสอย่างยิ่ง ทำเพื่อที่จะขุดกล่ากิเลสจริงๆอันนี้โปรดบริจายกย่องเนี่ยอาจะจะเจอทุกขเวทนาบ้างนะอยู่กลางปา่าในคืนวนอากาศหนาวเนี่ยแม้มันหนาวจับใจจริงๆแม้แต่ผ้าย้อมน้ําฝาดผ้าสังขติของเราก็ยังหนาวก็ยั ง, งย็นเชียบกรนะบายเป็นทุกขเวทนาไหมเป็นอยู่แต่ทําให้เกิดกุศลได้ถ้าบอกว่าใช้ในการที่จะประหารปรานกิเลสทําให้กิเลสในใจมันเหินแห้งไปอันนี้เป็นความทุกข์ที่จะทําให้เกิดกุศลและทำได้ หรืม้แต่ในเรื่องนี้ในเต็มเต็มเลยนั่นคือการที่รับปาะานเพียงมื้อเดียวคาบเดียวเว้นมื้อวิการในกลางวันคือตอนบ่ายเสียเว้นมื้อวิการในราตรีคือตอนค่ําเสียหิวไหมโอโหตะบูฟังช่วงแรกๆที่ข้าพเจ้าบวชก็บอกให้ได้เลยว่าหิวพยามพระใหม่รูปไหนถ้าเขายังไม่ชินยังปรับตัวไม่ได้ก็หิวหมดนั่นแหะวันต่อมามื้อที่ให้กินมื้อเดียวเนี่ยก็ฟาดเต็มที่เลยที่ว่ามันจะ ทาให้อยู่ได้ถึงตอนเย็นเอ๊ hey, แต่มันก็ยังหิวอยู่นะมันจึงมีเทคนิควิธีทั้งมดฟังอันนี้บอกเพิ่มเติมให้สำหรับผู้ที่ฝึกฝนตัวเองในการที่จะรับประทานอาหารมื้อเดียวรับประทานอาหารมื้อเดียวรับประทานาหสิ่งที่มันย่อยง่ายหลีกเลี่ยงพวกสิ่งที่มันจะย่อยยากเช่นเนื้อสัตว์นมไข่พวกนี้มันจะย่อยยากและเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเกี้ยวให้ละเอียดละเอียดเกี้ยวให้ละเอียดละเอียดรับประทานาหพอดี การรับประทานอาหารพอดีเนี่ยจะทําให้เราไม่หิวเนี่นถ้าเปรเียบเทียบกับการรับประทานที่แบบเต็มท้องเต็มที่เลยนะอิ่มมันจนถึงก้อหอยเนี่ยประสิทธิภาพในการย่อยอาหารเนี่ยมันจะลดลงมากเนี่ยประสิทธิภาพในการย่อยอาหารจะลดลงร่างกายจะต้องใช้พลังงานอย่างมากในการที่จะย่อยอาหารนี่ยไม่ให้มันเน่าอยู่ในท้องใช้พลังงานมากแล้วผลผลิตเนะ่ยคือพลังงานที่ได้ออกมาจากอาหารนั้นก็ได้ไม่เต็มที่แนะกินเสร็จแล้วก็ง่วงนอนอีก ตอนบ่ายก็ยังรู้สึกหิวอีกเพราะว่าประสิทธิภาพในการย่อยไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าเรารับประทานอาหารเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็รับประทานอาหารพอดีคําว่าพอดีเนี่ยหมายความว่ายังมีช่องเหลืออยู่ในท้องนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เวลามันย่อยเนี่ยมันจะมีแกส๊สมีอะไรต่างๆออกมานะให้มันไหลไปอีกที่นึ่งนะไม่ให้มันมาผสมอยู่ในอาหารการที่ย่อยก็จะมีประสิทธิภาพมากพอมีประสิทธิภาพมากใช้พลังงานในการย่อยน้อยได้ผลผลิตเป็นพลังงานใหม่ออกมามาก ร่างกายก็รู้สึกพอกับอาหารแต่กินอาหารเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงซึมตอนบ่ายก็จะไม่หิวแต่เพราะว่าร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอแต่จะรู้สึกท้องว่างอยู่แต่จะไม่ได้หิวถึงขนาดว่าจะต้องมากินแต่ซึ่งถ้าเผื่ว่าเราเคี้ยวอาหารละเอียดละเอียดหรือเลี่ยงสิ่งที่มันย่อยยากรับประทานอาหารพอดีให้มีช่องว่างหรืออยู่ในท้องนิดนึงเมื่อรับประทานาหเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะรู้สึกท้องว่างอยู่แต่จะไม่ได้หิวขนาดนั้นแต่ตรงนี้ จะเป็นใบเพื่อความอยู่พักสุขํารานมีโรคน้อยมีความกระปี้กระเป่าและมีกําลังมีพลังตรงนี้นะตรงนี้จําให้ดีสําหรับบุคคลที่เรียกว่าต้องการรักษาศีลแปต้องการที่จะทให้กุศลธรรมเรามีมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้กินมื้อเดียวทุกวันก็ได้ท่านผู้ฟังคืออันนี้ข้าพเจ้าชักชวนให้ถามนะคือเชิญชวนให้ทําจะว่าขอร้องให้ทําก็ได้นต่ว่าในสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสัก7วันที่เรากินมื้อเดียว ก็าบางคนทำเจวันใน1สัปดาห์ไม่ได้ก็เอามันสัก5วัน5วันก็ได้อาบางคนยังทําไม่ได้ก็เอาวันหนึ่งก่อนแต่เพิ่มเป็น2วันลองทําดูนะวันพระอาจจะรักษาศีล8วันไหนที่ต้องไปงานแล้วก็เว้นวันไหนที่ไม่ไปงานเราก็รักษาศีล8ปดได้แต่ปฏิบัติอย่างนี้ร่างกายเราจะรู้สึกถึงความมีพลังมีความกระปรี้กระเปื่ารับประนานหันแต่น้อยรับประนานที่ย่อยง่ายมันจะดีอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนานัา่นแหละจะทำให้เกิดกุศล ทุกเวทนานั่นแหละอกุศลมันจะเสื่อมไปมันดีในการที่จะเสพทุกเวทนาแบบนี้เป็นผู้ที่อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากความเจริญในธรรมวิมานนี้เราจะมีได้นะให้เห็นแก่สามมันจะผลเราจะทําได้โดยที่แบบไม่ต้องทนมากแต่ซึ่งในที่นี้ท่านพระอาสุชิกืบท่านปุณภัสุกเนี่ยทําไม่ได้นะทําไม่ได้หรือนะยังไม่เห็นอั น, นิี้สองคือยังไม่ได้ลองทนะําน่ะก็เลยยังไม่เห็นอั น, นิี้สองว่าเอ้ยมันจะจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเหรอเท่ก็ยังกินสองมือสามมืออยู่ แล้ก็สภายดีนี่ร่างกายเขาเป็นอย่างนี้เห็นอา น, นิสงสแบบเดีวยวกันจะไปทำทำไมแซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงเวทนา3อย่างที่แบ่งเป็น2ส่วนสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา3อย่างนี้แบ่งเป็นส่วนที่ทําให้กุศลธรรมเสื่อมไปแบ่งเป็นส่วนที่ทำให้กุศล ธ, ธรรมเจริญขึ้นแซึ่งก็พูดถึงความหิวนั่นแหละที่เป็นทุกขเวทนาแต่หิวแบบนี้หิวแบบจากการกินมื้อเดียวแต่พอประมาณรู้จักพิจรนารณาแล้วจึงบริโภคเนี่ยมันทําให้กุศลธรรมดีขึ้น เป็นทุกเวตนาที่ทําให้อกุศลธรรมเสื่อมไปจึงควรบริโภคแต่พอดีจึงควรบริโภคนในลักษณะนี้และในพระสูตรนี้ก็ยังได้พูดถึงอริยบุคคล7จําพวกโดยแยกแยะเป็นโซดาปฏิมักก็คือกายะสกิธิติปัตสัตาบิมุตตรรมนุสารีสถานุสารีล้วก็ได้พูดถึงความเป็นอรัตผ ล, ลที่มีอยู่สองประเภทคืออวโลโตภาคบิมุติแล้วก็ปัญญาวิมุตแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดละ เพราะว่าได้เคยพูดไปในราการตอนก่อนๆนั่นแล้วในเรื่องที่สาคัญในพระสูตรนี้ยังมีลําดับถัดไปแต่ว่าถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้เนี่ยยังทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไม่ได้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ตั้งศรัทธาไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราจะบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งมันก็จะต้องมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับการปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับเริ่มจากศรัทธาแต่คือบางอย่างเรายังทําไม่ได้แหมจะให้มากินมื้อเดียวจะให้ทําสัปดาห์หนึ่ง7็วันอ้วยากไป แต่ยังทําไม่ได้ก็ขอให้ปลูกศรัทธาก่อนนละ้ปลูกศรัทธาเอาไว้แล้วนะลองฟังดูใคร่ครวญดูจดจําคําพูดนี้ให้ได้เมืองที่มันยังทําไม่ได้หรอแต่เอาไปทรงจําไว้ในใจพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีทรงจําไว้ในใจพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีแล้วจะพบว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์พอมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วแต่ความพอใจคือฉันทะแต่ความพอใจในการทําเนี่ย มันจะเกิดขึ้นเพราะมีความพอใจในการทําก็ไปทำํำพอลองทําดูอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ลองหาจุดสมดุลดูพอหาจุดสมดุลดูดีแล้วก็ตั้งตนไว้ในธรรนั้นข้าพเจ้าก็าเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่ตอนมาบวชแรกๆแต่รับประทานอาหารนี่ก็ฟาเต็มที่ละมือเดียวเนี่ยฟาเต็มที่กินเข้าไปแล้วมันก็ไม่สมดุลในการปฏิบัตินั้นไม่ถึงจุดที่มันเหมาะสมทําให้ผลไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอก ทำไม่บอกว่ากายจะมีความกระปี้กระบร๋วมีพลังมีกําลังเราฟาดกินเต็มที่เนะี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็ไตรตรองพิจรารณาหาจุดสมดุลแห่งธรรมณนะว่าระประการนัแต่พอดี่นะเพราะว่าธรรมะนี้ทนต่อการเป็นพิสูจน์แต่ถ้าไม่เรามีกําลังใจในการปฏิบัตินะตั้งตนไว้ในธรรมนั้นแล้วการตั้งตนไว้ในธรรมทะมุฟังพระพุทธเจ้าให้องศีเอาไว้บทศแห่งการตั้งตนไว้ในธรรมณนะว่าถ้าเปลว่าธรรมะเนี่ยเป็นของแบบ ตามตลาดเนี่ยธรรมุ่ฝั่งของตลาดเนี่ยไปซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีราคาขึ้นลงตามตลาดแต่ราคดทองกคำเป็นตนน้นขึ้นขึ้นก็บางคนก็มีความสุขลงลงบางคนก็มีความทุกข์ราคาหุ้นราคาทองราคาของซื้อขายตามตลาดสดบ้างตามตลาดแห้งบ้างตามซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้างนนในห้างสรรพสินค้าบ้างราคาขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยตามตลาดเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอามิตรแต่ธรรมะของ พ, อพระพุทธเจ้าเป็นนิรามิตรธรรมฝั่ง เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นลงตามราคาตลาดตัวมันเองมีคุณค่าของมันอยู่แล้วสิ่งที่มีคุณค่าหนักแน่นหน้าเลื่อมใสอย่างนี้ควรที่เราจะต้องใช้บท4ีในการตั้งตนไม่ได้ทำบท4นี้คืออะไรคือหนังคือเอ็นคือกระดูกให้3อย่างนี้เหลืออยู่อย่างที่4คือเนื้อและเลือดให้มันเหือดแห้งหายไปหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระ จะเหืดแห้งไปก็ตามดีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียร น, นี้เสียเป็นไม่มีเลยบทสีในการตั้งตนไว้ในธรรมเราพิจารณาหาจุดสมดุลได้แล้วให้ใช้หนังให้ใช้เอ็นให้ใช้กระดูกละเนื้อและเลือดซะ4ีอย่างนี้ให้ทรงอยู่ในธรรมไมได้ ธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้านะทัมโมฟังมันสมควรแท้ที่จะแลกด้วยชีวิตเลยถ้าเราจะทรงคุณธรรมนี้ไว้ไม่ได้แล้วตายเนี่ยให้ตายซะแต่ถ้าตายแล้วเราจะมีคุณธรรมเหล่านี้ได้การตายนั้นเป็นการตายที่ไม่ต่ำทรามเป็นการตายที่น่ายกย่องเป็นการตายอันประเสริฐเพราะไหนๆก็จะต้องตายแล้วทุกคนนะนะต้องตายอยู่แล้วแต่ตายด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมบทสี่ทัมโมฟังนอกจากอริยสัจสีแล้วก็ยังรวมถึงหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดด้วย แต่ธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งท่านผู้ฟังเราทําด้วยความตั้งใจจริงจรงจังๆแต่ทําด้วยการเห็นในสามัญญผลทําด้วยความคิดที่เรียกว่าธรรมะนี้แต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังรวมถึงคนข้างๆด้วยแต่กินน้อยภาระมันก็ น, น้อยคนอื่นๆก็ไม่เป็นภาระมากไม่ใช่เฉพาะโลกนี้ยังรวมถึงโลกหน้าด้วยถ้ามันจะมีเชื่อใงการเกิดเหลืออยู่ก็ยังไปดี หรือที่ดีกว่านั้นการประพฤติปฏิบัติในเรื่องการรับประทานธรรบูฟังจะสามารถทําให้เราคลายเรื่องของความคิดในทางการไปได้คลายความคิดในทางการไปได้เนี่ยผลอย่างหนักแน่นเลยนะก็จะเป็นอนาคาเมนะเป็นผู้ที่จะไม่กลับมาอีกแต่เป็นผู้ที่จะมีปกติปรินิพานในพบที่ไปเกิดนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาธรรมบูฟังยังมีคําถามในเรื่องของประสูตรนี้ในเรื่องของกีตาคิกที่สูตรหรือว่าในสูตรอื่นๆที่เป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้า สามารถติดต่อ ก, กับทางรายการได้โดยเกยมเป็นจดหมายหรือว่าไปริศนียบัตรส่งมาที่วันป่าดอนหาโศกเลขที่1หมู่แปดตำบลด so. อนหายโซกอำเภอหนองอันจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะด p u r e d h a m m a อย่าลืมจำบุฟังสัปดาห์หนึ่งเอาสัก7วันถ้า7จวันไม่ได้ก็ขอให้เริ่มจาก1วันก่อนในการที่เราจะรับประานานแต่น้อย เราจะรู้คุณถึงความเป็นผู้ที่มีอาภาณน้อยมีความเบากายมีความกระปี้กระเพ่ามีพลังมีกำลังและอยู่เป็นพาสุขด้วยจุลินพอน์